11. สังฆเพทานุวัตกะสิกขาบทถามทรงบัญญัติสังฆาทิเศษเพราะการไม่สละกรรมจนกระทั่งสงส์สวดสมนุภาพครบสามครั้งเป็นปัจจัยแก่ภิกษุที่ประพฤติตามสนับสนุนแก่ภิกษุผู้พยายามทำลายสง์ณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงราชครืถาม ทรงปรารบใครตอบทรงปรารบภิกษุหลายรูปถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูปประพฤต์ตามสนับสนุนพระเทวทัตผู้พยายามทําลายสงฆ์ในสังฆเพทานุวัตกะสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐาน หนึ่งสมุทฐานคือเกิดทางกายวาจากับจิตละ